ข้อความในเจริยาปิฎกต่อจากครั้งที่แล้วเนี่มาขึ้นปัญหาข้อที่13ปัญหาข้อที่ส3บในหน้าห5 7้ห้าสบคำถามมีว่าอะไรเป็นอุบายให้สำเร็จบา ร, รมีอุบายหรืออุปกรณ์เครื่องมือหรือวิธีการนะนะวิธีการที่จะทำให้บา ร, รมีสำเร็จได้เนี่ยทำอย่างไร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 ทำไม่ให้บกพร่องเครื่องหมายคําว่าในการสั่งสมบุญบารมีเพื่อความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะจะต้องทําบุญทุกประเภททําบุญทุกชนิดบุญทุกอย่างที่ทำเนี่ยท่านบอกอุทิศอุทิศแปล ว, ว่าเจาะจองหรือมุ่งหมายมุ่งหมายหรือว่ามุ่งเฉพาะสัมมาสัมโพธิญาณเท่านั้นเหมือนอย่างว่าการก่อสร้างเนี่ยนะเพื่อจะสร้างยอดนะเสื้อสร้างยอดสูงะนะฐานทั้งหมดที่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 กุศลและบุญกุศลที่ทำเนี่ยนะต้องทำด้วยความตั้งใจอย่างแท้จริงแล้วก็ทำอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาปันเป็นการเจริญกุศลเพื่อกุศลเจริญกุศลเพื่อกุศลเจริญกุศลเพื่อเพื่อกุศ ล, ศลต่อตอไปเนี่ยนะ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 นะครับว่าเสมอกับบุคคลที่ไม่มีใครเสมอเท่านั้นเพราะนั้นบุญเหล่าเนี้แต่ละอย่างแต่ละอย่างให้มันสูงสุดสูงสุดเนี่ยนะทานก็ทานอย่างสูงสุดศีลก็ศีลอย่างสูงสุดนั้นเป็นการวางรากฐานในการสร้างบารมีอย่างต่อเนื่องเนี่ยนะอันนี้แหละเป็นอุบายที่ทําให้สําเร็จนะนะโดยวิธีการวางแผนเป็นอย่างดีอันนึ่งพระมหาสัตว์ผู้ปฏิบัติเพื่อการตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้านั้น ควรมอบตนเรียกว่าสละชีวิตของตนแด่พระพุทธเจ้าเพื่อสัมมาสัมโพธิญาณก่อนทีเดียวว่าข้าพเจ้าขอมอบอัตภาพนี้แด่พระพุทธเจ้าทั้งหลายขั้นต้นท่านบอกว่าขั้นต้นคืออะไรขั้นต้นขั้นแรกเลยที่จะปฏิบัติเพื่อความเป็นพระพุทธเจา้าก็คือถวายชีวิตนี้ให้พระพุทธเจา้าซะอุทิศกายวาจาใจแด่พระพุทธเจา้าทั้งกายทั้งชีวิตนี้ถวายพระพุทธเจา้าบุญทุกอย่างทุกอย่างทําเพื่อพระพุทธเจ้า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 ท่านทำอย่างนั้น่ะท่านทำจริงไม่ใช่ว่าความไพรเราะที่โบราณภาว่าเน่นะเออเพราะดีก็เลยว่าตามไม่ใช่แบบนั้นแต่ว่ามีความตั้งใจแบบนั้นจริงๆสละอย่างนั้นจริงๆทีนี้เมื่อสละชีวิตสละอัตภาพให้แกพระพุทธเจ้าอย่างนี้แล้วก็ควรสละก่อนแต่จะได้วัต ถ, ถุที่ห่วงแหนในทานนมกุกคือหมายว่าเมื่อสละชีวิตทั้งหมดเลยเนี่ยนะ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 นะอันนี้เรียว่าอ้างความขาดแคลนก็เลยไม่ได้ให้ทานอย่างที่สองให้ได้ยังไงอันนี้ก็ชอบอันนั้นก็ชอบดูคิดว่านั่งคัดจริงๆก็อยากจะโล่ให้ให้ทานเหมือนกันนะอันนี้ก็เอออันนี้ก็ทีแรกว่าจะให้เยอะแล้วคัดไปคัดมาเนี่ยมีของให้อยู่นิดเดียวเนี่ยนะผมไม่มีของอันไหนสมควรกับการให้สมควรเราใช้แต่เพียงผู้เดียวเรียกว่าความยึติดความรักความทะนุถนอมหวงเห็นในของที่จะให้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 อันนี้ครับพวกนี้กลัวคิดถึงแต่ความหมดสิน้นถ้าเป็นอย่างนี้จะทำยังไงหนึ่งเพราะตัวเองไม่เคยให้มาก่อนก็ต้องตหนีแหละนะสองของก็มีน้อยสามแล้วก็ของตัวเองก็รักมากสี่ถ้าให้ไปแล้วจะเหลืออะไรมาแกอยังไงสมุท่าท่าถ้าเกิดความคิดแบบนี้ขึ้นในชีวิตจริงเนี่ยแก้อย่างไรพระะนันอุบายที่จะแก้ท่านบอกว่าในการใดเมื่อทายรทร ม, มีอยู่แก่พระโพธิสัตว์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 มันก็ไม่ดำพอที่จะเอาไปทำเป็นสีดำได้นะมันก็เลยไอ้ดำประเภทใช้งานไม่ได้ดำเสียหายนี่แหละก็เลยม า, มาแค่ว่าบอกตัวเองว่าเรานี้อัจยาศัยของเราเนี่ยช่างช่างโหดร้ายแท้เนี่ยนะช่างช่างเสียหายแท้อย่างบางคนที่ก็บอกว่ามองเห็นสัตว์ตกทุกข์ได้ยากเนี่ยนะเห็นเดรัจฉานตกทุกข์ได้ยากสนะนั้เห็นปลามันขึ้นบกดิ้นรนเนี่ยนะ ปกติแล้วควรที่จะสงสารปลาใช่ไหไอ้ใจจืดใจดามันบอกอูได้แล้วปลาต้มมาหนึ่งลนะได้ปลาเอาไปต้มแล้วก็คือใจจืดใจดาแท้เอามาเคยครั้งหนึ่งบอกว่เรานะ่เคยเล่าให้โยมฟังโยมก็ตอบว่าเออเขาก็ว่าถูกนะก็นันก็มีอยู่นั่นะอยงเง้ยสมัยที่เราเป็นชาวบ้านเนี่ยนะเป็นเด็กชาวบ้านหาปลาตามท้อ ง, งานาเนี่ยเราไปเห็นปลาแม่ปลาแล้วก็มีลูกปลาเยอะๆเนี่ยนะ มีแม่ปลามีลูกปลาเราเห็นเนี่ยเราไม่ได้สงสารนะเออแม่ปลามันต้องเลี้ยงลูกปลาบอกไม่โอ้โหเนี่ยนะทำยังไงถึงจะเอาแม่ปลาตัวนี้ไปต้มได้บอกโอ้ใจดําแท้ว่า ง, งั้นทำไมเราช่างใจดําแท้โยมเขาบอกว่าโอ้ยก็ว่าไม่ใช่ร่างกายดําอย่างเดียวเพราะใจก็ยังดําอีกเราว่า ง, งั้นไม่สงสารเลยกระทั่งแม่ปลาเลยเพรางั้นบอกเออพูดถูกต้องว่า ง, งั้นเพราะอะไรเพราะไม่เคยสั่งสมอัธยาศัยแบบนั้นมาเนี่ยนะ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 ก็มองดูแล้วเออมีอะไรบางที่ให้ไม่ได้ก็ให้ได้หมดอะแต่ในเวลาอันสมควรเพราะว่าการให้ทานที่ถูกต้องเนี่ยเช่นเป็นการันตุบุคคลเนี่ยนะเพราะว่าทานของสัตว์บุรุษทั้งหลายให้ถูกการให้ถูกเวลาให้ถูกบุคคลให้ทานที่เหมาะสมเขาให้เป็นไม่ใช่ว่าโอ้ยฉันให้หมดเลยก็เลยอะไรนะยกให้หมดเสร็จแล้วเออตัวเองทำไงกันเนี่ยคือเขาไม่โง่อย่างนั้นหรอกเลยนะนั้นเขาเขามีระบบการให้ให้แบบฉลาดแบบมีสติปัญญา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 จนมีอัธยาศัยแบบเราไม่ต้องกล่อมตัวเองเนยนะเช่นเขาด่าเราโกรธทันทีเลยนะอันนี้ต้องกล่อมตัวเองวันนี้เขาด่าเรานะเขาทําให้เราเสียใจนะเพราะเราต้องโกรธเขานะเนี่ยต้องต้องอธิบายไหมอ่ะทำไมอะ่ะอุ้ยอย่างนี้มันสมาทานมานานแล้วว่าเราต้องโกรธเนี่ย น, นะท่านนี้ก็เหมือนการทานก็เหมือนกันถ้าเราสมาทานไว้ดีๆตั้งจิตไว้ดีๆไข้ครวนไวด้ดีๆต่อไปเนี่ยใจน้อมไปจะให้โดยที่ไม่ต้องอธิบายทั้งนั้นพร้อมที่จะให้มีความสุขที่จะให้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 มาอายุ8ดขวบเนี่ยบอกว่าจะให้ทั้งร่างกายและชีวิตอยากได้ส่วนไหนก็ให้เอาไปหมดเลยเนีย่ยนะหลังจากนั้นเจริญเติบโตมาอีกก็ให้ใ ห, ให้ให้จนเขาไล่ออกจากบ้านอย่างเมืองเนีย่ยนะพอไล่ไปนอกออกไปอยู่บ้านเมืองที่จริงเขาเป็นข้อดีสําหรับท่านเพราะอยู่ในบ้านเมืองเนี่ยท่านก็ไม่มีโอกาสให้บุตรให้ภริยาให้อะไรเป็นทานได้เพราะท่านเป็น ก, กษัตริย์เนี่ยนะท่านเมื่อไปอยู่ปา่าอยู่เขาชูชกก็จึงกล้า ข, ขอลูกขออ่านะเท้าส ก, ก่าก็มาขอภริยาไปก็เลยสามารถให้ได้ทั้งหมด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 อันนะฝึกมาเป็นอย่างดีสมาทานมาเป็นอย่างดีอธิฐานมาเป็นอย่างดีแต่นะั้ตั้งเป้าหมายที่เรียกว่าน้อมว่าวัตถุทั้งหลายเนี่ยนะน้อมไปเพื่อจะให้สัตว์อื่นจนไม่มีตรนีห่วงแหนในเรื่องของมหาพูดเลยไม่มีมหาพูดรูปเสียงกลิ่นรสโภภพธพะไดาที่ตัวเองจะห่วงแหนถึงขนาดให้ทานไม่ได้เนี่ยนะเพราะใจของเรายินดีในทานท่านบอกว่าอย่างนั้นเพราะใจของท่านยินดีในทาน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 ทำไมเด็กมันรู้นะมันเลือกคานของอร่อยเต็น่ะนะผู้ใหญ่ก็คิดกันนะก็มาคุยกันว่าทําไมเด็กคนนี้มันฉลาดเลือกเกินเนี่ยมันรู้นะว่าอะไรเป็นของอร่อยเวลาให้สั่งสั่งเอาแต่ของอร่อยอร่อยบอกเรื่องนี้ไม่ต้องอธิบายกันหรอกมันเป็นกันโดยธรรมชาติเข้างันเพราะสมาทานอธิษฐานแบบนั้นมานานเนี่ยนะอย่างเรื่องบางเรื่องเนี่ยเราพร้อมจะเสียใจพร้อมที่จะไม่สบายใจพร้อมที่จะหงุดเงินพร้อมที่จะรําคาญเพราะอะไรเพราะเราสะสมอัธยาศัย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 สภาพจิต ท, ที่ปฏิเสธในการให้ทานเพราะตัวเองสะสมการไม่ให้มานานเนี่ยนะก็ยังเรียว่าพระโพธิสัตว์เนี่ยโดยพื้นฐานจริงๆท่านก็คือคนธรรมดาเนี่ยนะท่านก็คือปุตตุชนธรรมดาเท่านั้นแหละแต่เป็นคนธรรมดาที่ฝักใยในคุณธรรมชั้นสูงเป็นคนระดับล่างแต่ฝักใยทำชั้นสูงเรียกว่ามรคใหญ่ฝ่สูงเนี่ยนะมรคคุณธรรมที่ใหญ่ๆและก็คุณธรรมที่สูงที่สุด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 ทำให้มีแต่เรียกว่าหักรานน้ำใจกันเนี่ยนะปฏิเสธน้ำใจคนอื่นที่เขาตั้งอัพยาศัยดีๆก็แทนที่จะส่งเสริมก็กลับไม่ส่งเสริม